กรรมฐานนะมันต้องมีมูลต้องมีหลักถ้าหาว่าไม่มีหลักมีมูนจแล้วต้องมีกรรมานที่จะเดินไปต่อไปได้สรรมฐานคือสมาธิได้เป็นใความสงบวิปัสนาได้แป็นใการรู้แจ้งเห็นจริ่งเรียกว่าสมรมฐานภาษาบ้านเราเรียกกันว่าสรรมฐานคื่อกบองชัดกันแล้วว่ากรมาก ร, า ร, กากรมฐาน ธรรมะคือการกระทำฐานะคือที่ตั้งชื่เรียก ว, ว่าสมฐานคืออธิบายว่าการทำจิตให้มันเป็นหลักมั่นคงเรียกว่าพุกผลอบรมจิตให้มีหลักมีแหลงให้มีที่ยึดที่มั่นที่ตั้งมั่นชือเรียก ว, ว่มมธาธรรมา คือทำให้มันมีที่ตั้งชื่อก็บอกตรงนี้แล้วว่ากรรมฐานคือทำให้มีหลักกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งซึ่งหมายถึงเรื่องอารมณ์ทื่ว่าในตัวลักษณะที่ทำจิตอันนี้ว่างเรื่องอารมณ์ที่จะทําจิต ก็ต้องมีที่ตั้งเหมือนกันมันต้องมีจุดอย่างที่ท่านแสดงให้งเรื่องกติ้กติ้งกรณีรัชวีกติ้นาโพ้กสิ้เตโชกสิ้งอะไรเรียว่ากติ้งศิษย์เพะนั้นเรียกว่าจี่ตั้งก็คิตไตั้งเอาตรงนั้นอธิบายทีแรกนั้นว่าทังเรื่องวิธีทตั้งศิษย์ให้ศิษยที่ตั้งให้จุดม pues ีที่ตั้งให้มีหลักมักแม่ อันนี้อริบาลที่ตัวที่ตั้งของจิตจิ่จะต้องไปตั้งอยู่ในกรรมฐานอันนั้เนเป็นสติน็นต้นด่างอริบาลนี่อันนี้สตินี่ที่ว่านั่นเช่นปัทวีสตินแห่งดินเป็นอารมเพื่อให้จิตไปจดจ่อยเพื่อความดินอาโปสตินแห่งน้ําเป็นอารมณ์ โทกสินแข้งไปเป็นอารมณ์อาวายโงกสินหรืออากาศกสินเข่งอากาศเป็นอารมณ์วิธีท่านแสดงไว้กว้างของพิสดารแข้งดินอาดีนใปั้นเรูปแล้วก็ไว้เฉพาะหน้าไวพอดีพองามอยากให้ไกลนักอยากให้ไกลนักมีวิธีท่านอธิบายกวางของพิสดารมาก ตามความเป็นจริงแล้วนั้นเราไม่ต้องไปปั้นก้อนดินยากหรอกไปปั้นต้อนดินทําเป็นรูปนั้นรูปนี้อะไรต่างๆถ้าปเป็นแท่งมันลาบากดังอธิบายให้ฟังมาในขัางตน้นโดยลําดับตัวของเราคือก้อนดินมันเป็นก้อนดินอยู่แล้วแล้ว แข้งตัวก้อนดินก้นนี้ดีกว่าก้อนอีกนั่นแหละชางไปปั้นยากตามปั้นมาให้แล้วเพื่อเป็นรูปเป็นกายเป็นตนเป็นตัวมาแล้วตามปั้นมาให้พอดีผองานทุกอย่างจะเป็นนั่งตรงไห้นมันกับมีรูปอยู่แล้วไม่ต้องไปปั้นยา ก, ต, าากายนนติตด ก, นนต ก, ตปป ก, ก้อนดินก้อนนี้เับแข้งลงไปสิก้นดินอาจารย์ารที่สองที่เราพากัสนสรวจอยู่ ผมผลเล็บฝ้าหนังเนื้อเอ็กระดูกก็มีครอบบริบูลในนี้เส่นลงไปเธอพิจารณาลไปเถอขอให้กินไปชดจ่อ ย, อยเพาะเรื่องเดียววก็กแล้วกันอาโป ก, ะกประสินน้ำกับเส้ไประศน้ำดีน้ำสดิดมีครอบหมดในนั้นเตโชกระสินคือเส้นผมร้อนอบอุ่นในกาย วายโยก็เสียงจะลมหายใจเขาออกเป็นต้นจำแนก็เป็นอาการมากมายดิมมียี่สิบนที่สองทะรวมไี่สามที่สองอาการนี้มองเห็นได้ง่ายรากฏไฟสี่ลมหกมี่ีเจ้าของเรา พระพุทเจ้าท่านตรัสเทศสนาไม่ใช่เทศทางนอกเคยมีเรื่องสมัยสร้างอระพทุทธเจ้าของเรายัา ง, งสมัยชนอยู่ไปเที่ยวรูปข้อมูลเดินไปในที่ต่างๆไปเห็นดินมันบางแห่งก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางแห่งก็เป็นดินเหนียวดินโคลนโคลนบางแห่งก็เป็นดินตรวดดินทรายพอามาถึงวัดแล้วก็เลย ามาสนทนากันพูดแต่างงานในนี้เรื่องดินตรงนั้นเป็นยัางงานตรงนี้ดินตรงนี้เป็นอย่างนี้ทวิเดจ้าของเราเสด็จมาผู้สูงถามผู้สูงหลายว่าถ้านพูดเรื่องอะไรกันพูดถึงเรื่องดินนักวิทยจศาสตร์โอนั้นเป็นดินไทยนอกหรอกพระเจ้าองค์เดชกเทศชนาว่าดินภายไหนใน้ทยเสียจีพ ใครจะมาดูแจ้งซึ่งดินภายในเพื่อจะภาพบบ น, าานี้ทันหลังนี้เพื่ออธิบายไม่จึงไม่ผิดไม่ต้องมาเพ่งภายนอกคือแจ้งดินก้อนนี้ใครจะรู้แจ้งซึ่งดินเพื่อจะภาพก่อนนี้ใช่ไหมครับทั้งยมโลกเพื่อบายภูมิสิณและเทวลกด้วย ถาว่าใครจักรู้แจ้งซึ่งดินก้อนนี้คำนั่ น, น่ะเราพาท่านเห็นแต่ก้อนดินคือดิน ท, ทั่วไปเราพากัานเห็นแล้ว เ, เห็นตัวของเรากับพาท่านสวดจิตวันบน่นจิตวันอาการสวดจิตวันนั้นเป็นเรื่องอาการบน่นที่คนไม่เห็นนั้นเป็นเรื่องบน่นเฮ้ยเอถอะถ้าไม่เห็นจริงแล้วกับบน่รรนถึงทำกันอย่างนั้นน่ะ ถ้าหากรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจะบ่นหรือไม่บ่นมันจะชัดถ้าไม่เห็นจริงและบน่นคุณทำมายาวลามันก็ไม่เห็นชัดสักทีผมไม่้พูว่าใครจักรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงรู้ละรู้ซึ่งรู้ปล่อยรู้ว่างไม่รู้ยึดถือก็ิ เนยังไก็เห็นไม่ใช่ตัวคนเป็นประชกรธาตุสี่ดินน้ําไฟลมทุบผมคนเล็กเป็นต้นอะไรเป็นตัวคนเราลองคิด ด, ด, ดูคนทั้งคนนี่แหละมาแ ย, ยก okay. ออกแค่ยางเชื้อปิบาร์มในบนต้นไม่ต้องแ ย, ยกอื่นไรไม่ต้องแยกมากมา ย, ยาเชียงจะแยกเป็นก้อนดินก้อนนี้เป็นสีอ่อย่างอย่ า, า, างอัจฉรนจะบนต้น เป็นก้อนดินก้อนอคนเราทุกคนเป็นก้อนดินก้อนอดินมันต้องมีน้ําไฟลมอยู่ด้วยกันประ้สมกไหมที่นี้ถ้าถ่ายเห็นตัวคนเราเป็นจักรวรรดิกนดินก็อนอย่างนี้แล้วอัตตาในที่สี่ที่การถือว่าตนมาตั ว, วเวลาว่าเขามั่ก็หมดไปหรือเราถือเขาซื้อมือถทอกูมันก็หมดไป เห็นเป็นก้อนดินเสมอภาพทั้หมดแล้วก็สบายใจการกดจี่กลมเห็นซึ่งกันและกันมันก็หม่มีเห็นมนุษย์จัดเพียงเว่าก้อนดินเดียวกันทั้งนั้นเป็นก้อนดินก้อนเดีนอนอยนเท่าเท่ากันราคาคนเท่ากันไม่มีต่ำมีสูงม่มีน้อยเม่ีหยาบเดวนี้คนได้แค่ในอยู่ดนนเดียวกันขนาดในร่างกายจมูกเข้ามุมบนบนเท่าเท่ากัน มันยังถือต่ำถือสูงถือเหมือนถือปูชือดีทือชั่วถือชั้นวันหน้าได้ประการต่างๆอันโลกมันจะแตกสลายเอนี้ก็เพระเนนี้ทั้งนั้นไม่แต่เรื่องอืน่นพระไม่ได้นริงจริงจอมเป็นจริงยังท่านพาทัานถือสโรกยังไอโลกจึงขยุ่งวุ่นวายเดือดร้อนเห็นไหมพระเจ้าจึงสอนว่า ท่านอุปมาอีกในหนึ่งว่าปมปูมังสหวางวิจิตวะใครจกรู้แจ้งซึ่งสายนี้อั น, นอุปมาเปรียบเหมือนกับหม้อฉลาดนี้ถ้าสมอกมับหมอดินเนี่ยถ้าไม่ได้มายถึงอืน่นไกลแต่เคยทบายปก้ฟังแล้วหม้อมันจะมีหูคนเราก็จะมีหูหม้อก็มีสองหูเหมือนกันคนเราก็มีสองหูแต่กันบหมอดีๆเนี่ยมันต้มอะไรไปต้มเหล็แข่งอะไรทาราฟาทุกอย่าง ต้มผักต้มปลาต้มเนื้อต้มซ่ราค่ะทุกอย่างต้มได้หมดหมโ้อกูปนี้หม้อตรงนี้ไม่มีจ้องมีสองก้อนเต่ามีสองก้อนข้ามอยู่เดินได้ไปมาได้โยกย้ายไปได้ก่อนเต่าก่อนมีสองก้นอน น, โมโมนนั่นน่ะมีหม้อที่พดถเจ้าทประเทศนช่วะ ให้ใจรู้แจ้งเส้นใจเนี่ยเป็นพุมาเปรียบเหมือนกับหมอ้อคำ ว, ว่าหมอ้อเนี่ยทีนี้หมายความจังหวะของไม่เที่ยงหมอ้อนนนี่อันจะต้องแตกวันหนึ่งละไม่นานก่อไม่กล้าก็ต้องนานต้องมีวันแตกท่านเด็กมาเปรียบเหมือนกับคาาชนามีคือหมอ้อจะต้องแตกสระายตัวกนนายของคนเราเป็นเช่นงั้นเหมือนกัน ก็เห็นกันเต็มตาทั้งบ้านทั้งเมืองบางคนนั้นแต่กตอนนี้ไม่ทันไม่ทันคลอดลางคนคลอดมาแตกด้ก็มีบางทีกำลังก็เป็นเด็กเขาวิ่งเล่นสนุกสนานแตกที่ก็มีเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวแตกก็นีมันก็มอดีๆอันนี้มอแตกดีๆแต่มอันนี้มันแตกเน่าแตกเหม็นเหมือนหมอนั้นมอนั้นแตกไปแล้วแตแล้วไ่ายมอนนี้มันแตกมันเน่ามันเหม็นดีไม่ดีคนกล้วยซ้ำ อนนั้นก็ถือเป็นเศษกระเบื้องเฉยๆอันนี้มันไม่ใช่เศษกระเบื้องมันะถือเป็นสีไปเลยจนี่ีเรื่องคนไม่รู้จริงเห็นจริงจึงว่าตัวธาตุนิ่งนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสมถาานคือเราจะต้องมาเพ่งพิจารณาตัวธาตุิงตัวนี้แหละให้เป็นสมถะเพ่งพิจารณากาย ให้เห็นเป็นธาตุดินจ้ะเราจะมาเรียนถือตนถือตัวคือเราถือเขาถ้าหากเห็นเป็นธาตุดินแล้วสมมติว่าเราเจ็บแล้ว เ, เกิดความเจ็บขึ้นมามันเจ็บตรงไหนกันที่ชนาตรงที่มันเจ็บเจ็บหัวหรือไปมองดูลินมันเจ็บไหมรู้จักเจ็บไหมจมวกที่อยู่ตามลำเจ็บไหมต้นไม้มันเจ็บไหม แล้วต้องพิจารณาเทียบดูข้างนอกกอนเห็นก้อนใหญ่บุรุษบุรีใจเมื่อนี้มันเจ็บไหมมันเคยได้ยินในรอามันกลาสักทีไหมคันเรามาเพ่งพิจารณาตัวก้อนหินกนนี้ให้เกรียบเกลี่ยมันกับของมูอนั้นความเจ็บจะรู้สึกหายไปถึงแม้หายจะรู้สึกเบาบางไห่างมันแตกมันดับแล้วก็เห็นเสียงสับก้อนแตกแตก้อ น, นมีแตกหนัก หรือมันจมมอดหายทมันแตกดับทำความอาไราอาบอนห่วงใหญ่มันก็ค่อยสงบหายไปถึงมันไม่หมดมันก็ค่อยสงบไปคือวารู้เท่าเข้าใจไวจ้แค่ถ้าหามันเกิดเวทนาซึมมามีต่อไปอีกอันนี้อธิบายจ้ำลอยเก่าได้นี่ที่อธิบายมาแล้ว คือาเรื่องอธิบายธรรมะมันวนเวียนอยู่ของเก่าเนี่ยไม่ได้เรื่งางอย่างนี้หรอกธรรมะมันอยู่ในนี้เท่านั้นไม่ได้มีที่อื่นถ้าเกิดเวทนาเกิดมาคึกทุกเจ็บปวดอ่ะอย่าไปถือว่าตัวเราเป็นคนเจ็บปวดให้เป็นเรื่องของเวทนาคือขันธ์ห้าเรื่องธาตุสี่ยังไม่แทนมีวิญญาณครับเรศุสก จิตตะเจว่าธาตุสี่มันก็มอดังอธิบายมานั้นมันแตกก็เป็นเรื่องของมอแตกมันดับมันแตกก็เรื่องหองมอดับมอแตกยังไม่มีเวทนาเข้ามาผสยังไม่มีตัวจิตที่มัมีเวทนาเข้ามาผสมตัวธาตุสี่นี่แหละพอเป็นรูปเป็นกายส ม, มาแล้วจิตวิญญาณจึงนั้นมันมีครองอยู่ในมันด้วยคือตัวจิตวิญญาณควรู้สึก อันนี้ความเวทนาเกิดขึ้นมากับเพราะจิตวิญญาณคือวิญญาณจะน่งมีอยู่เพราะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้เป็นเรื่องขันเนเรียนมาแล้วศึกษามาแล้วอธิบายฟังมาแล้วในต้นอันนี้เป็นขั้นที่สองคือขั้นห้าแล้วมาเข้าถึงขั้นขันห้าแล้ว เวทนาถ้าหากเป็นทุกข์แล้วก็ออเวทนาคือนี่เนาะเรียกว่าทุกขเวทนาเป็นอย่างนี้เรารู้นารู้ตาทั้งเรื่องทุกขเวทนาอยากให้เป็นเรื่องของเราให้เป็นเรื่องของเวทนาใช่ความสุขสบายเกิดขึ้นมามันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรหรือว่าเรานั่งทำสมาธิภาวนา ในความส ง, งบเยือกเย็แล้วก็ให้ถือว่าเป็นสุกขเวทนาเนี่ยมันแค่เฉยมันมี อ, อะไรลนะ่ะว่างเย็นเยนเฉยเราคอ ย, ยถือเป็นอุปเเกขาเวทนาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเวทนาถ้าเราเข้าใจเป็นเรื่องของเวทนาไม่ถือไม่เอามาเป็นของตัวของเรามันก็สบาย ถ้าหากถือสุขเป็นเรื่องของตนเสร็จแล้วเกิด ข, ขึ้นมาไปยึดเขาไปเสร็จวเวลาทุกขเวทนามาถึงเขาเจริญด่ายคิดถึงสุ ข, ขเวทนาโอ้เวทนาสุ ข, ขเวทนาหายไปแล้วเวลานี้ทุกขเวทนาเข้ามาถึงแล้วนึกถึงทุก ข, ขเวทนาก็เดือดแล้วะมันเป็นทุกข์ใหญ่หรือทุกใหญ่ขเขาพวกเขา อย่างเราอยู่เฉยไม่เคยเจ็บทีตะไม่เคยเคยปวดทีตะลยเลยเฉยอันนี้เวลามันเจ็บมันปวดสมัยคิดถึงข่าวที่เราเนี่ยมันเจ็บมันสุขแค่ได้ควสุขเลยไปห่ ว, หวงดึกความสุขเลยไม่พิจารณาทั้งเดินทุกข์ในปัจจุ บ, บันไม่ทุกข์ไม่พิจารณาทั้ง เ, ทททงเวทนาทุกขเวทนาที่ว่าขันหายนี่แค่คันนี้มันสรุเดือดร้อน ท, ทันทีจะ เป็นทุกนิ้วไขอเอาจ hey, ารผู้ใจเจียวยงสอนให้รู้จักว่าอันนี้เป็นทุกขเวทนาอันนี้เป็นสุขเวทนาอันนี้เป็นุปเกขาเวทนาไม่ใช่ของใจเป็นเรื่องของขันห้าครานี้การจําอีกลนะแล้วไปจดจําว่า มันเจ็บตรงศีรษะแล้วมันเจ็บตรงมันเทียวแล้วมันเจ็บลงตรงท้องมันเจ็บตรงนั้นตรงนีนน้อันนั้นเป็นความหมายอะไรกันความจำอะไรกันทิ้งไม่ได้เลยจำแต่มาแล้วก็ทิ้งไม่ได้เละจดจ่ออยอู่กับนันถ้าหากว่าเรามาพิจาณาตามที่เราได้สดัตย์ตฟังตามที่เราได้ เรียนมาแล้วพิจารณามาแล้วว่าตัวนั้นเป็นตัวสัญญาไปจำตรงนั้นตรงนี้เป็นตัวสัญญาทั้งหาจริงทั้งหลายมาทั้งนี้อย่างนั้นเราไม่จำมันก็ไปอย่างนั้นเราจะไปจำมันก็ไปอย่างนั้นเราเราไม่จำลองดูสิว่ามันไม่เจ็ดตรงนั้นตรงนี้ไม่ตรงนึงกว่าตรงนั้นตรงนี้อปล่อยมันจะลองดูซิ มาได้ไงเรามาคิดๆอย่างนี้เราอนุาลลองลองดูก็แล้วถ้ารับรอยมดจ้ะนันชาไปอ ย, อยู่ตรงนั้นตรงนี้แหละมันจะสบายัหมละ่ะขอรับรองว่าต้องสบายคั น, นี้ชาไปชดเจอว่าตรงนั้นเป็นเนี่ยยิ่งมาถือว่าเป็นหัวของเราเสดงว้าโอ้ยใหญ่ใหญ่้ไไนอนก็วุ่นวายเลยทุกร้อนเดือดรอนใหญ่ตรงก็พรพร้อมถือว่าของเราคนเดียวที่นี่แหละเป็นที่ พระพุจ้านั้นแยกมาให้ถือเป็นของเราให้เป็ น, ป น, ป น, ปนตัดว่าสัญญาครเมื่อมันมีสัญญาแล้วตั้งขานมันก็ไม่เกิดคือความตรุงความแต่งมันก็ไม่เกิดถ้าเราสัญญาไปจดจําตรงนั้นตรงนี้ว่าเจ็บศีรษะหรือเจ็บท้องเจ็บหูเจ็บตาอะไรต่างๆความจํำนั้นมีเกิดขึ้นมาแล้ว สังขานคือควาปรุงปรุงอะไรปรุงอยากจะให้มันหายอย่างนั้นอย่างนี้หรือปรุงอยากจะได้ยานั่นมาใส่มาแล้วงับมาดับหรือปรุงพราะว่าถ้าหายเข้ามาแล้วงับดับหายได้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้คาดชะนีไว้จะได้ควสุขอย่างนั้นจะได้สบายอย่างนี้ความปรุงอันนี้คือดขึ้นจาก ยญญาลำดับจากสัญญาไปอีกถ้าหากเราเห็นว่าเป็นขันแค่ัญญานะเราปล่อยวางทั้งขันแล้วก็ไม่เกิดเช่นเจ้าไปขันไม่จะไม่จะปรุงอะไรกาลองคิดดูนี่แล้วกันสมมติว่าตัวของเราล่ะตัวของเราเราไม่จ็บ แต่เจ้าขเราไม่เจ็บไม่ป่วยแต่คนอื่นไปเจ็บคนอื่นอ่นะไม่ใช่ของไม่ใช่เราละ่ะเ้าเห็นท้งางน้าเราก็เฉยๆแล้ไม่นึกคิดว่าเราเจ็บตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็ไม่นึกว่าเราจะต้องไปปรุงไปแต่งให้รักษาข่างนี้คิดเฉยอยู่ ถ้าเห็นนอกจากตัวของเราเสแล้วมันก็สบายเลยแค่เป็นของเราเนี่ยโอ้ยรีบสิรีสานเร็วแค่เป็นของคนอื่นเนี่ยก็เฉยๆเรื่อยๆเลยนานมันค้างบังเก่าก็จเกิดขึ้นมาได้เห็นเกิดขึ้นมาแล้วทำไมเหมือนที่เกิดที่ตัวของเราในเมือนก็มาเกิดกับตัวของเรานี่เอาปมาเปรียบพอไปเปรียบเทียบให้ดูที่ว่า ธรรมาไม่มีตัวไม่แจ่มเราตึนของเราแล้วสังขารมันก็ไม่มีเมื่อมีมันก็ค่อยห่างไกลออกไปส่วนตัววิญญาณนั้น่ะเป็นประธานของเบทนาธัญญาสังขารวิญญาณจิตควารูร้สึกถ้าห่างไม่มีวิญญาณแล้วรูปกิแตกสลายจับ อยู่ไม่ได้เวทนาสัญญาเขาไม่เกิดทั้งคเขาไม่มีตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัวประธานของเขาแต่ทำไมท่านเจงลำดับว้ตอนท้ายไม่เป็นไม่บัรยาคืนเบื้องต้นวิญญาณมันรู้ได้ยากตัวรูปคือตัวคาดดินก้อนดินเนี่ยมันเห็นได้ง่าย ใครๆจรู้ได้ง่ายถึงเ ด, ด็กันง่ายอธิบายกันใรู้กันเร็วเขาเกิดรูปอธิบายถเรื่องรูปพิจารณาถึงเรื่องรูปอย่างเราพิจารณาถึงเรื่องรูปเนี่ยเราเท่นพินาจารณาดวงเราเห็นเป็นก้อนดินท่นเนี่ยมันจะประกากฏยิ่งย้ายขึ้นมาทนทีเลยคันอะไรเดิ น, นยางคือผูปทีเช่นก้อนดิน ตัผูเรียกว่าจิตเลที่เรียกว่าวิญญาณจิตยรวมเรียกว่าจิตตวิญญาณใครเป็นคนเพ่งกอนดินจิตตัวจิตวิญ ญ, ญาณเปนกนเพ่งคนดินพอพูดถึงเรื่องดินก็เลยมีวิญญาณขึ้นมาเพรานะไนที่นั้นเน็ตเหนื่อยเมือม่อแทงเวขามันก็ตัวอนดินจะมาได้ เวทนาคือความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมาที่นั่นทั้งยาว่าเจ็บตรงนั่นตรงนี้จำตรงนั่นตรงนี้มันก็ขึ้นมาในทีนั้นมันเกิดมาจากก้อ น, น, นดินนะจั้งฐานคือความปรุงความแต่งอย่างให้มันดีอย่างให้มันหายอย่ า, ยายงนั้นอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาที่ก่อนดินก่อนเหตุนั้นถึงว่าอันนี้เป็นจิตตั้งของสมถะคือสมถะถ้าหากพิจารณาเป็นดินจิตจะปลอดว่า มันเป็นนิดน้ำในลมเะยิดจะปล่อยจะวางคิดจะสงบคิดจะไม่ได้หลงมัวเมอเพิ่อเพื่อนคนหลงดินนะที่เรียนนี่มันหลงมันมัวเมาเพื่อเพื่อนนี่เองดินภายในจะดินภายนอกเหมือนนกันดินภายนอกมีดินดำดินแดงดินขาวดินเหลืองมีเหมือนกันดินภายในก็ตัวคนเราก็มีเหมือนกัน บางคนกับสีดำบางคนกับผิวขาวบางคนกับผิวเหลืองอะไรไม่ทำเหมือนกันดินอันนี้แหละมันทายคนหลงขาวก่อหลงดำก่อหลงเหลืองก่อหลงหลงอันน uh, totally ี้มันไม่เหมือนหลงดินโน่นนี่ดินที่เรามันขาวมันเหลืองมันดำเหมือนมันไม่เหมือนหลงดินอันนี้หลงอันนี้มันหลงจริงจริงจริ มืดดำเลยดำ ม, มันก็ว่าดำเลื่อดมดำแววดำเทีย่ยงดำเกา่ามันไม่ได้ทิ้งเลทั้งเหลือหน่อยมันก็เหลืออ่อนเหลือนิ่มเหลืองนวล น, นี่ขั้ขาเรื่องก็ขาผองขาใสขาสะอาดไม่มีนนทิ้อทั้งอันการทาดินภายนอกมีทิงได้ ฉั น, นเหนน้ำดำน้อยนาเกลี่ยใครแดงก็มันไม่งามแค่น้ำเหลืองเออมันชอบใจาบางคนชอบเหลืองบางคนชอบขาวบางคนชอบแดงแตก น, นี้มันไม่เด่นยังไงนี่ดิน น, นี่ชอบบ่มดไม่มีทิ้งจะทำอันนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากคนไม่ได้พิจารณาเรื่องดินไม่รู้เท่าเข้าใจเรื่องดิน เป็นคนจิหากำหลงหลงถึงเรื่องดินแล้วผู้ใดเจ้าจึงสอนอธบายวิธีแก้ความหลงและแห่งที่ยานาเห็นอสุภะปฏิกูลดินภายนอกมันมเหม็นมันจะดินภายในอยู่ได้มันก็อยู่ได้ไปมันไม่ได้เหม็นในนอกมันจะดินภายในดินภายในในเหม็นเน่าปฏิกูลสูก อยู่ตลอดเวลาดินภายนอกเน่ยเป็นก้อนตั้งอยู่ตกแต่ปแล้วมันก็ แ, แล้วไปดินภายในยไม่เฉยงั้นน่ยมันก็ะเทาะกันน้่ตกต่อยตีกันนี่ย ม, มีน้ําไม่มีเสียงออกมาชะเจย๊ยดินก้อนนี่กระทาะกระแทกเส้นการเสียดชีซึ่งนอะแล้กันอะไรซลายเรื่องหลายอย่างดินก้อนนี่มันแม่มันเป็นเรื่องใหญ่ยุ่งเหยือจริงๆนะจ๊ะควรที่จะพากันมาพิจารณาเพราะว่าทำสองพฤติเจรม สมุดดินนั่นเป็นคนสมุดดินนั่นเป็นมนุษย์สมุดดินเป็นสัตว์พระพุทธเจ้าท่นานไม่แยกไม่สอนไม่ให้สมุติไม่ให้ติดสมุดแต่ว่าจะให้ละละสมุติเลยทีเดียวมันละได้แสน ย, ยากเพราะมันติดมานมนานจึงมายแยกออกทีละน้อยแต่น้อยเป็นขั้นขั้นออกไปอย่าไปว่าคนนาไม่ใช่คนเรา ถ้าตีดินน้ำไทรมี่ท่ญญานบรรยาใหม่แล้วนี่แค่ทิ้งเดิมของเดิมที่สมมติว่าคนนะด่าอธิบายมาแล้วมันค่อยคลายลงไปแล้วก็มที่คุ้ ม, มถืออันถือเป็นดินแนละ้วมันก็มดินน้ำไทรมันก็นค่อยคลายคุมถือว่าคนนั้นลงไปถึงยังไงไงมาม่ยึดประดิษน้ำไทรมนยังดีกว่ายึดคนนะอย่างที่อธิบายมาตะกี้นี่ยึดประก้อนดินนั่นนี่ดีกว่าีเดียว ยึดตัวงเราเลยเป็นก้อนดินนะเป็นมาน้าเป็นไปเป็นลมเนี่ยคือมันเส ม, มอสปาร์มเส ม, มอกันทั้งหมดแล้วไม่มีต่ำไม่มีสูงไม่น้อยไ่ยีใหไม่มีการถือชั้นมันนะไม่มีการเหียดหย่อดุถูกซึงกันมันดีอย่างนี้าหากว่าเทียงว่าบรญญัติเทียงข้าศึกมันยังไม่ชละเอียดพอแต่พระองยอมบรญญัติเที่ยขันห้า คือถ้าสี่ธรรมดาทําอะไรไม่ได้จะทําดีทั้งชั่วและอย่างละเอียดไม่ได้อยู่เพียงแค่นั้นเหมือนกับต้นไม้นี่นะมันเกิดสมัยอย่างนั้นมันก็อยู่งั้นตลอดกาลถ้าคนไมนแปรสภาพขาดเป็นเสาแล้วมาเรื่ อ, เอยเป็นกระจาดาเรื่อยมาเครื่องไม้อะไรต่างๆทําเป็นโต๊ะของตัวเองมันเนีย่ยค่จะมีราคาดีขึ้นเลยว่ะให้ประโยชน์ได้ดีกว่าเกา่า ทันใดข้าศึกในน้ำเะลมเพียงสีอย่างนั้นไม่สามารถที่จะเ็จประโยชน์ด้อย่างดีขึ้นไปตรงนั้นผู้พระองค์ยังสอนที่เทศแสดงเอาเป็นขันหาคือว่ามีตัวจิตเข้าไปรวมอยู่ด้วยเวทนาสัญญาทั้งขางิยายีตัวจิตเป็นเรื่องอาการของจิต ระบุไว้ตามเดิมคือ้าตุสี่ตามเดิมท่านจะย้ายขยา ย, ย, ายออกไปได้ทันเาวชนนาสัญญาสังขารนิยามเตินเรื่องและทันาการที่ป่าไปได้กินยังไม่แล้วเท่านั้ขยายออกไปอีกยังไม่พอหน้าที่ของการงานยังไในการงานของร่างกายยังมีมากกว่านั้นอีกคืออายตชนะาตาหูจมูกลิ้นไต่จ กามีหน้าที่ดูรูปหูมีหน้าที่ฟังเสียงจมูกมีหน้าที่สุดกลิ่นลิ้นมีหน้าที่รับรสกายมีหน้าที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้สึกนั่นนี่อะไรต่างนุ่มนวลอ่อนแข็งนีรู้สึ ก, นนมนนออสกหมดใจมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆแยกออกไปอีกเพื่อให้รู้ว่ากายนั่นแหะ มันมีหน้าที่คนละเ ร, เรื่องกันไม่ใช่เราอีกเลยตาเห็นลูกอย่าไปถือว่าเราเห็นครับเะว่าตาเห็นเราคิดดูอย่าไปถือว่าเราเห็ น, าาหนรคดดรับจเป็นอะไรเห็นก็บช่างเหมือนถ้าหากเร า, าจะทดลองเรื่องอันนี้นะทดลองนี้ก็ได้เรานั่งเฉยไม่คิดนึกอะไรมากมายล่ะ ตามองดูรูปอย่างว่ารู้เราดูคนเนี่ยอย่าเป็นนึกว่าคนเชฟมือที่เขยเนี่ยหรือจะนึกตามบรรยากาศที่พูดในเกี่ท่านบรรยากาศเก่าเพราะว่าบรรยากาเราเป็นท่าสี่ดูคนอื่นให้ก่อนแล้วจะดูตัวของเราก็เอาคือเราชนานาญดูตัวของเราจะก่อนนั้นควรดูคนอื่นนดถ้าเราดูตัวของเราเป็นท่าสี่ ราคานี้แล้วก็แห่งดูคนอื่นอย่าไปนึกว่าคนอย่าไปถือว่าคนสมมุตินั่นลืมให้ลืมเลยจะให้ซิ้งยัดคือว่าพลาดสี่ต้องลองชิดดังสิทดลองเราดูสิจะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาหรือแตกเหมือนกันเนี้คนเราอยู่กันเยอะมากหมู่กันมากนี่ในชังคมในกระช่างถ้าเราถือเพียงแค่ว่าพลาดสีด่แล้ว มันเป็นของหน้าคบขันที่สุดในชุมชนนั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนการฆ่าไม่อดกลั้นบางทีอาจจะสือ่อมหัวเราะเสืทันทีก็ได้มันเป็นของหน้าคบขันจะเป็นตัวอะไรก็ไม่สับ น, นีมันดียิ่งนี่แล้วพุทเจา้าเหแย่ก็เครือมันหายสมุูกแห้มันเปลนไปเสียงขาดเสีย อันนี้ว่าพิจาณาเรื่องๆขันข่าอย่างที่ว่าเวทนาเกิดขึ้นมากะทักที่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ของใครทั้งหมดเวทนาคือความสะบืออาจารยนียที่มันสะบื้อนเรียก่าเวทนาสะเวสุขสวททุกข์คำว่าสเวที่นี่เชื่อไปจดจ่อเพ่อมปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเนี่ะ จะปรากฏสุขทุกขกระช่างภาษาเราพูดง่ายๆเข้าใจง่ายเนี่ยเรี่องปรากฏขึ้นมาในตัวของมัน่จะเป็นสุขเป็นทุกข์กระช่างเรียกวิทยาเสยๆกับช่าไม่ใช่ของใครถ้าหาเราจะพูดกันให้เจะคิดเจตนากันให้ละเอียดทีทัวเนี่ยวทนาเป็นของใครลองคิดดูสิใครมาเป็นเจ้าภาพใครมาเป็นอิสระวทนาคือความสุขอันนี้ อันในโลกนี้ใครมาเป็นคนคุ้มของทุกประเวทนาทุกปรเวทดาวเสด็จพระอิศน า, วน า, วนาความจริงมันก็ไม่นใช่ของใครแท้ๆนี่แต่ปรากฏสมมาเราเราเป็นยืดไปถือเฉยๆนี่ไม่ีใครเป็นเจ้าภาพเจ้าของหรอกั น, น่มีใครเป็นใหญ่เป็นโตหรอกไม่ได้ขึ้นมันชีทะเบียนก็ใส่หรอกไม่ได้เสียภาษีกใส่ทั้งนั้นอ่ะทเวทนา มันเป็นเรื่องของเวทนาจักแปลว่าเวทนาที่เฉยแต่เรียวนี้เราไปยึดเอาเวทนาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของเราขึ้นแทนที่เขาจะมาเสียภาษีเราเราไปเสียภาษีให้เขาสิตั้เลมกไปเขใหญ่ตัตตัวของเราก็ไม่ได้อะไรแล้วไปเสียภาษีเขาอยู่จักทุกสิ่งทุกอย่างไปมอบไปเขาทั้งหมดตัวของเราเลยมมีอะไรทุกอย่าง จำยาคื่ความจำกำเนิดกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของขันแล้วจำดีจำชัว่วจำหาดจำแลเลี่ยเอ า, าเถอะจำเขียน้หนาคนไหนไปจำคนนั้นไมารู้ไปเกลียเอาเงียบเกียีรัรรนี้ทางท้ายที่เขาเองก็ไม่รู้สึกอะไรเด้อไปเขียน้หนาเขาเป็นตัวช่ว้ไม่ เป็นทกเดแล้วจะตายคนเดียวออนคนเดียวตัวเราเองไม่รู้เขาเองไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าหากเราเพียงแค่ว่าคิดได้และพิจารณาในเพียงแค่ว่าฉัญอากกจําอย่าไปเถือนเป็นของเราของใครทั้งหมดเลยนะมันก็หมดเรื่องทันทีหายทันทีทันใดนี่ ยาแก้บ้าผู้ได้เจ้าสอนพวกครับมันบ้าอยู่คนเดียวนั้นนี่ะยาในโลกนั้นไม่ผู้ได้เจ้านั่นสอนถ้ามาโอสดผู้ได้เจ้าเป็นหมอยาวิเศษยาแก้บ้าคนเดียวแล้วบ้าอยู่คนเดียวน่ะลงงมงงามอยู่คนเดียวนั้นว้องโกรธหลงแค้นใคอยู่คนเดียวที่ใช้ยาทั้งห้ายที่ทำไม่รู้ตัว ถ้าหากเรามาทีก็หนาเห็นไท่านยาคมจำตั้งหักอันนั้นไม่ใช่ท้องไรไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกขายทันทีเลยตั้งขายาคาือรวมกลุ่ม้อมแต่งเก่าอ่ะ้องลองดูึงอันนี้ไปันไดใหญ่นอนเดีวกับรุมงหนึ่งอ่ะยืนเดินนัง่งนอนไปไมายาได้บทได้กลุ่งแต่งได้ยังไง อันอย่างภาษา ส, สมัย น, นี้เขาเรียกตลอดสร้างมีมานบนสวรรค์ธรรมดาเขาสร้างบ้านจรางเรือนเขาก็ปลูกลงที่ดินฝังให้มันแน่นแล้ว ก, ก็ยังก็ปลูกอันนี้ปลูกไว้เลื่อนลอยบนอากาศไม่มีสถานไีได้อยูไ่ได้ง่ายคิดปุงมาเถอดปรุมาเถิดทั้ง ฐานในขันห้านี้ว่าทั้งเรื่องการปรุงการแสงสึออารมณ์อารมณ์ที่มันคิดเลื่อนลอยไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายเพื่อวิญญาณจะรู้อยู่ว่ญญาเราเลื่อนลอยแลานา่นพิจารณาไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายหลายทางเพื่อวิญญาณจะรู้อยู่เหมือนกัน แต่ว่าเอาไม่อย <medal Benedict 's movie> ู่หยุดไม่ได้โวกลงวิญญาณก็ถือเป็นของเราตั้งค้างกองรวมของแต่ก็ถือเป็นของเราถ้าหากเข้าใจโดยในเทิบาลในบืงต้นขันห้า็จะเจ้าธรรมญาติเป็นตัวขันไม่ใช่ของใครอันใช้เป็นเจ้าเป็นเจ้าไม่ใช้เป็นใหญเป็นโตไม่ได้ขึ้นอยู่ในสนามบังคับของใครทั้งนั้นอ่ะ อันนี้เป็นเรื่องทั้งขานอันนี้เป็นเรื่องวิยญาณพามารู้เท่ารู้เรื่องเธอเนี่ยมันหายวับไปซะเดียวใจมีผู้ใดจะเจ้าจะแย่แย่กออกมาให้มันรืมให้มันลืมไปเรื่องสมมุติสมมุติหายไปหายไปแล้วฉันเอาปัญญาตามบรรยกาพุทธิจักค่อยหมดไปหมดไปกายเห็นรูป สักจะไปเห็นหูฟังเสียงกรสักจะไปฟันจะมูถูกปีนไอลิีนถูกรถอะไรต่างสักแต่ว่าให้ถือสักแต่ว่าหายทันดีทันใดท่านี่อาการที่มันเกิดกิดครบสองอย่างเกิดอย่าถ้าหากเราไปยึจเป็นของเราเท่านั้นเพืนตายเห็นรูปถ้าเรอ ถ้ารูปอะไรที่เป็นสวยงามให้เราชอบรักแล้ก็โอ้ที่ตกทีใ่ใจในปวายใหญ่เรียกว่าสัมผัสเกิดเวทนาขึ้นมาคือความสุขจริงทั้งอย่างสองอย่างกระทบกัน เ, เข้าแล้วมันต้องเกิดเสียงขึ้นแล้วไม่เกิดแววเก้ดวาวขึ้นไหนทีน่ะพอสัมผัสเกินมาแล้วมันก็มีอันหนึ่งเกิดจะมาปรากฏ น, นีน่เรียกว่าสัมผัสปรากฏขึ้นมาของแข็งกระทบบานอย่างว่าเล็กก็เห็นกระทบกันเขาเกิดแข็ง ตาเห็นรู้วันนี้มันเป็นกระทบเค้าเพราะกรทบปับเลยมันเกิดรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาถ้าหากเราไม่ทันเท่าทันทีไม่ทันท่วงทีมันคือไม่เห็นจากจังหวะกระทบมันก็จะต้องเกิดสัญญาคือความจาอันรูปคนอันนั้นสวยนั้นไม่สวยอันนี้มันก็เกิดเกิดทั้งถามจังอันมันก็เกิดในวทนาขึ้นมาแลี่ สวยมันก็ชอบมันก็สุขสบายใจไม่สวยมันก็ทุกข์มันก็ไม่ชอบมันก็เกิดฝนเดือดร้นเป็นทุกมันก็ไปง่ายแค่นั้นอันนี้พอมันทุกข์มันก็ชอบใจมันก็อยากได้มันก็ปรารถนามันก็เลยเกิดตัณหาแล้วเกิดจเลิเรียกว่าตัณหาหน้อยแปดมันเกิดจากเวทนาตรงนี้แหละไม่ใช่อื่นไกลเลยหรอกเทว่าหาหน้อยแปดท่านนับตามอาการ ตาหูจมูกร่ากายใจหกอันหกนี่แหละเพราะสัาษณ์เกิดเส้นวาแล้วมันเกิดมันเกิดขึ้นมาในระหว่างนั้นเรียกว่าเวทนาหกเวทนาหกนี่เกิดอดีตเกิดอานาคตเกิดปัจจุบันไล่กันไปหยาบละเอียดโอ๊ยทั้งร้อยแปดที่เรียกว่าที่เดชปัญหาปัญหาต่างๆร้แปดมันเกิดจากนี้หร อ, มหรอไม่ใช่เกิดจากกายอื่นใจไหนหรอ มันไลยไประยิ่งถ้ามันไม่มีที่หยุดคือว่าในที่เจนายเห็นเป็นสัจจะว่าอายตนะเห็นสัจจะว่าขันถ้าเห็นสัจจะว่าขันเห็นแต่สัจจะว่ า, ายตนะมันหยุดเลยมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่ตรงที่เลยเลยเป็นสมถธิมี่เรื่องของที่ตั้งของรรมชาตไม่ใช่อื่นใกลอยู่ที่นี่แนหะ ถ้าสี่กอนนั่นนี่ถ้าเร า, าพิจารณาอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นแค่ตาเป็นจริงเรามันสงบเลยจายเทวทิศตั้งของสมงถนคือกายเอาไม่ถึงขนาดนั้กนก็เอาพิจารณาเอาอย่างเดีย ว, วอนันนี้พิจารณ า, าเฉพาะกายนี่แหละให้มีขอบเขตอย่าให้จิตรงออกจากนอกกายแช่งพิจารณาอยู่ในกาย มองดูสิงทั้งหลายที่มีใ น, ในกายเนี่ยนึกคิดไปคือใช้สัญญาอนุมานพอผมจะตรงนั้นผลู่ตรงนั้นเล็บเล็บจตรงนั้นฟันหนังเนื้อเองก็ดูตรงนั้น mm hmm. ตรงนั้นพิจา mm hmm. รณาในขณะที่เราพิจารณานเน่ยคิดชดจ่อเฉพาะในเรื่องนั้นให้มีสติประคองจิตไว้จะให้มันออกวิวออกไปจากกายคิดจะมันแน่วในเรื่องนั้นคิดจะได้ความสงบ คิดจะรวมเป็นสมาธิเรียกว่าอยู่ในขั้นของสมาทาแต่ในื้ขนาดนื้อายั้งเรื่องมูลของสมาทะไม่หนีจากดินอยู่ตรงดินแย่างเดียวคราวนี้ถ้าหากว่าคิดมันรวมเป็นสมาธิทับเจนลงไปอย่างนั้นจริงๆอย่างจางแล้วปัญญามันจะเกิดจากสมาธิแต่ท่า ้เห็นชากิเรออันนี้เป็นเสียงสัจอินเกิดดับเหมือนกมอที่พระองค์จะตรัสเทศนาที่อธิบายในมติโต ส, สมาเปรียบเหมือนกัมอแตกดับินกนณีท่านยังแสดงกับพระมาเสรียบเทียบไวยว่าเทนุเป็นดูประมาดูปารูปเปรียบเหมือนกับฟองนา้ารูปเปรียบเหมือนกับฟองน้ำคือฟองนมม้ํามันก็ ฝังมันก็สลายลงไปหรือตอมน้ําที่มันเป็นเป็นตอมขึ้นมามันก็แตกบั๊บบั๊บไปเกิดมาจากน้ํามันก็แตกแตกไปในน้าคลื่นหรือฟองที่มันมากระทบฝั่งมันมาจากน้ําเป็นรูปเป็นคลื่นมาเป็นคลื่นมาก็กระทบฝั่งแล้วก็สลายลงไปเป็นน้ําของเก่าคนเราเกิดจากดินน้าไฟลมมาเป็นรูปเป็นกายแปลสภาพมาถ้าเป็นตนเป็นตัวมาเป็นหูเป็นขา มาเป็นแข้งเป็นขาเป็นหัวเป็นหูเป็นหูเป็นตาอันนี้มันแปลจะพาออกมาจากดีนคราวนี้เวลาแตกทางวันนี้แตกสลายไปเป็นดินของเก่าดินน้ำเสดงของเก่ามันจะคล้ายๆกับฟองน้ํารือตอกน้ําเำมันเดียวกันมึนเหมือนกันนี่เ้อวาเสกอย่างนี้ยังเพนโนปินุมารุปปาเวทนาปกรูปมาไอ้ลูกเตี้ยมมันก็ตอกน้ํา เวทนา ป, ปักรูปมาอุปมาเวทนาเสียบ ม, มันก็ขึ้นรูปเสียง ม, มันก็ต่ำน้ำําแไอเวทนาเสียง ม, มันก็ขึ้นเป็นแบบนั้นคขื่นกับชั้นเดียวกันพอกระทบกเกิดเสียงดังขึน้นเวทนาก็เช่นนั้นเหมือนกันพอกระทบของแสงเช่นตัวของเราเนี่ยเช่นสีตา่างกระทบของแสงปั้งเข้าไปเนี่ยเกิดเจ็บขึ้นมา อาการที่มันเจ็บขึ้นมาท่านเรียกกับเวทนาในขนาดที่มันกระทบตากระทบรูปอย่างอธิบายมันจะกี่เนียวเห็นรูปเขาแล้วชอบความชอบใจเกิดความสุขนั่นมันเกิดมาจากมันกระทบค่ะถ้าอยู่เฉยๆเหมือนก็น้ำนิ่งอยู่ไม่มีคลื่นคือลงไม่พองไม่ตีว่ะนั่งก็อยู่กับน้ำฝั่งก็อยู่กับฝ่ง เัมือตาแล้วไม่เห็นอะไรไม่ดูอะไรก็เฉยๆถ้าหากตาเราเรามีปัญญาพิจารณา<ๆ>เห็นชัดตาเป็นจริงเสร็จแล้วตอนนี่ในเวทนามันเกิดความชอบแจและไม่ชอดแจมันเกิดจากการเห็นการดูการฟังมันกระทบอันนี้พอเรารู้เท่ารู้เรื่องของถึงไม่เราจะดูมันก็ไม่มีไม่ไม่จะมีเกี่ยวคือมันไม่เกิดควารักความชอบ ความสุขของทุกไม่สุขสักจะว ด, ดูเห็นอนุบายที่สักจะวัดดูในจังหวะให้พิจนาเห็นเนดิดน้ำใสลมดังอธิบายเหมือนมันต้นมันถึงจะว่าสักจะว ด, ดูเทท น, นาป ร, ประดูประมาสังขารากตะดูประมาท่นว่าสังขารนึกประมาเสียบเหมือนกันกับ่อนกลว้ลวยท่อนกล้วย่อนหยวกน่ะ ใครใช่ไหมหาแกนในต้นกล้วยต้นหยวกไม่มีอ่ะหาไปเถอปลอกกาบมันไปปลอกเข้าไปาหมดไปเฉยๆนี่แ่ะเฉยหมดเลยตั้งหานหาแกนสารลยได้ถ้าตุประมาตเสียบมันก็ต้นกล้วยคือตัวของคนเราอะไรที่เป็นแกนสารในตัวของคนเราเกิดขึ้นมาก็แตกดับ จะอะไเป็นสาระไม่ได้เลยนต